นออบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโอกาสดลบพรกรมเพื่อนสธรรมิุรท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านในพุทธศาสนานี้ท่านก็สอนให้เรารู้จักความทุกข์สิ่งที่ปรากฏกับเราในทางกายและใจก็คือความทุกข์นั่นเองเนาะ ความทุกข์มาปการสำคัญนะก็คือความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายในความเป็นตัวตนของเรานะว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นตัวตนของเรา <c oughs> สิ่งเหล่านี้คือความยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่ายึดโยงเป็นยางเหนียวที่อยู่ในใจของเรามาตลอดนับพบชาติไม่ถ่วนเพราะความที่เราได้เวียนว่ายตายเกิด ในพบชาติต่างๆนั้นนะมันมาจากความที่เรายึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนี้แหละในความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราและด้วยความยึดมั่นในความเป็นตัวตนของเราในครั้งนี้ก็ทําให้เกิดความยึดมั่นในสิ่ตงต่างๆว่าเป็นของเรานะมะีสามีของเราภรรยาของเราลูกของเรา ทรัพสมบัติต่างๆของเราเงินทองของเรา <c oughs> มากมายนะตามมาไม่มีที่สิ้นสุดนะเพราะเหตุจากการที่เรามีความยึดมั่นในตัวเราเป็นหลักนะมันเปรียบเสมือนกับว่าแม่เหล็กนะซึ่งสามารถที่จะดูดสิ่งต่างๆมาอาติดกับแม่เหล็กได้ฉั้นใดนะจิตของเราที่มีความยึดมั่นก็ย่อมจะยึดมั่นสิ่งต่างๆรอบๆนะ อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็เป็นของเราได้ฉันนั้นและนั่นหละก็คือความทุกข์ที่จะตามมานะเหมือนอย่างที่นางวิสาขาบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนะแล้วก็มีลูกอยู่มากมายนะเมื่อลูกตายไปนะก็มีความโศกเศร้าพระพุทธเจ้าได้ทรงบอกว่าเนี่ยมีลูกนะ มากมายตายไปก็มีแต่ความโศกเศร้าทุกๆคนเนาะนี่แหละยิ่งมีลูกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเศร้าเท่านั้นนะเพราะฉนั้นสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าเราไม่ควรยึดมั่นนะเาานาะหลังจากนานนาวิสาขาก็เข้าใจนะก็พ้นจากความทุกข์ในตรงนั้นไปได้นี่ก็นาาเป็นพระโสดาบันเนาะแล้วอย่าว่าอะไรกับปุตุชนนะว่าจะมีความยึดมั่นและจะมีความทุกข์มากขนาดไหน มือนะสิ่งเหล่านี้คืออวิชชาซึ่งเกิดในใจของเรามานบพบน้ำชาติไม่ทวนแล้วและมันก็สะสมไปในนาคตการถ้าเราไม่เข้าใจในสภาวะที่ความเป็นจริงของความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเหล่านี้ใน <c oughs> ธรรมจักรกับรัศดุ์นะซึ่งเป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาให้แก่ปัญจวัคคี อันมีสาระสําคัญในอริสัตย์สี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือให้รู้จักทุกขสมุทัยคือสาเหตุแห่งความเกิดทุกนั้นได้แก่ายายังตัณหาโปโนโภวิกานันทิลาคาสาตาตัตลตตาพินันทินีก็คื อ, อตัณหานี้ <c oughs> เป็นเหตุให้มีความเกิดอีกด้วยความที่เราเพลิดเพลินอย่างยิ่งไปในลมต่างๆเหล่านี้คือการตัณหา คืออารมณ์ที่เป็นไปในรูปลดกลิ่นเสียงโผฏฐาบะธรรมอารมณ์ก็ ค, คือความที่เราเพิดเพลินไปในตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ภาวะตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นวิพาวตัณหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือการผักใสในลมต่างๆหลังจากนั้นก็ได้ทรงแสดงนิโรธนะคำว่านิโรธแปลว่าดับทุกขนิโรตก็คือความดับทุกข์ อันได้แก่โยตัสาเยวัตันหายอาอเสสสวิลาคะนิโลโทจ้าโคปิณิสโกมุติอนารโยก็คือการที่เรามีตัณหานั่นแหละคือสาเหตุแห่งความเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะละความทุกข์ก็คือเราก็ต้องละตัณหานั่นคือการทําให้จางคายไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นนั่นเองอันได้แก่วิลาคะคือการจางคายความคายออกจากตัณหา นิโรโธคือความดับไม่เหลือของตันหาจ่าโคคือการสลาออกปฏิสักโคคือการสละคืน ik, คปุติคือการปล่อยการวางอนาโยคือการทําให้มีไม่มีเทียสัยซึ่งตันหาต่อไปก็ได้แสดงผลทางที่ปฏิบัติเพื่อความสู่ความพ้นทุกนั้นก็ได้แก่มรรคเมียงแอันได้แก่ศีลสติสมาธิปัญญาอันนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าทั้งหมดนี้เพื่อให้กลับมาเห็นปไต่ักณ์นั่นเองเนาะ เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนิรดาเท่านั้นเองเพราะถ้าบุได <c oughs> ไปปฏิธรรมไปแล้วยังไม่เห็นในปัตติลักษ์ก็ยังจะกลับมาไม่เห็นถึงสภาวะที่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานี้มันก็ยังมีความยึดมั่นอยู่หลังจากที่ทรงแสดงธรรมจักรจบแล้วอพระกนทัญยัก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งควงก็มีความดับไปเป็นธรรมดา บรรลุเป็นพระโสดาบันการที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงดับไปเป็นร้ำดานี่แหละคือหนทางการเห็นมไตยรักษแล้วเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอั้ตาแล้วแต่อาจะเป็นการที่เรียกว่าไม่ได้เจาะจงเข้ามาสู่ภายในตัวไม่ได้เห็นถึงขันหานี้ว่าเป็นอย่างไรมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตายางไรในขณะนั้นก็ได้ทรงบรรลุพระโสดาบัน แล้วต่อมาทั้งสี่ปัจุกคีที่เหลือทั้งสี่ก็ค่อยๆบรรลุธรรมเป็นพราโซดาบันตามํำดำแต่ก็ยังไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อมายังไม่นานเมือเจ้าก็ได้ทรงแสดงนัตาลกนัสูตรซึ่งเป็นพะสตรที่สำคัญเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมเพื่อชี้ก็ามาสู่ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแลวก็ให้กุญแจไวในการที่จะไขประตูเปิดออก เือให้ความยึดมั่นถือมั่นนี้หลุดไปจากตัวตนจากจิตใจของปัญญวัคคีได้ทรงแสดงที่เมื่อกี้เราสวดไปแล้ว <c oughs> ดูความพิสูุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้ก็คือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือจะตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นั้นพระเจ้าข้าหลังจากนั้นก็เลยทรงแยกยะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรเมื่อแสดงธรรมจบแล้วปัจจุบันก็บรรลุเป็นพระรหัน์ทั้งหมดเนาะ นี่นี่เป็นหัวใจสําคัญนะที่ว่าเป็นสัตธรรมเพราะจริงๆแล้วธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติทั้งหมดนี่เป็นธรรมทั้งหมดก็รวมอยู่ในความที่เป็นมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่ใช่มีวิญญาณครองนะเช่นตึกร้ามบ้านช่องป่าไม้ภูเขาธรรมชาติทั้งหมด ก็คือสภาวะธรรมหรือธรรมชาติทั้งหมดนั้นตกอยู่ในกฎปัตติักทั้งหมดไม่มีสิ่งใดหนีพ้นก็คืออยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือความตั้งอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้เป็นนตตาบางังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ให้ตนนั้นนี่คือความจริงของไสยธรรมหรือของธรรมชาติทั้งหมดอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่ามีมผู้ใดมามาเปิดเผยในตรงนี้ให้เราเห็นได้ไหม เพราะนั้นจริงๆแล้วพุทธศาสนานี่ต่างจากศาสนาอื่นตรงที่ว่าเป็นการเปิดเผยสัจธรรมคือความจริงเมื่อความจริงนี้ปรากฏขึ้นแล้วเมื่อผู้ใดเข้าใจความจริงจิตก็จะคล้อยตามความเป็นจริงไม่ไปขัดแย้งความเป็นจริงเมื่อไม่ขัดแย้งจิตก็จะพบถึงความพ้นทุกข์ได้โดยแน่นอนนะความที่ว่าเรา กลับมาเห็นถึงการที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นี่แหละเราก็จะได้เข้าใจในความที่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเพราะเหตุที่เราบังคับบัญชาสิ่งต่างไม่ได้เขาจึงเป็นความทุกข์ความทุกข์ก็คือการทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้นั่นเองเมื่อเป็นความทุกข์ที่ทนในสภาวะเดิมไม่ได้เขาจึงเป็นความไม่เที่ยงนั่นเองนะเป็นความแปรปรวนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ตรงนี้ก็ต้องกลับมาเห็นกายเห็นใจว่าเป็นเช่นนั้นจริงไหมเริ่มจากที่กายนะเราก็ดูว่ามีความไม่เที่ยงจริงไหมกายนี่นะมันเป็นอย่างไรนะสมัยเป็นเด็กเราก็เป็นอีกรูปร่างเป็นอย่างนึงนะตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอีกหน้อยเราเป็นคนแก่ก็เป็นอย่างหนึ่งมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะผมก็เริ่มงอกตาก็เริ่มฟางหูก็เริ่มตึงอผิวหนังก็เริ่มหย่อนะ นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่สามารถเห็นได้ทางกายอย่างชัดเจนนอกจากนั้นความเปลี่ยนแปลงนีนะ้เป็นความเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอาไวไ้วไภายในเอาไว้ภายนอกซึ่งเราก็เห็นชัดในตรงนี้อยู่แล้วนะถึงความเปลี่ยนแปลงในตรงนี้แต่ความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจนั้นมันก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นบ า, บางครั้งนะเราก็มีความยินดีบางครั้งก็มีความยินร้าย มีความพอใจมีความไม่พอใจมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลานะแล้วเราเห็นไหมว่าเราบังคับเขาไม่ได้จริงๆนะเราอยากจะให้เขาดีใจมีความรักมีความพอใจให้อยู่เรานานๆก็อยู่ไม่ได้มีความไม่พอใจความโกรธให้เขาอย่าอย่าเกิดขึ้นอย่าอยู่กับเราก็ทำไม่ได้เหตุเหมือนกันนะบางครั้งเราโกรธใครเราเกลียดใครเขาก็จะมาเยี่ยมเราบ่อยๆนะ นั่นแหละเพราะว่าเข้ามาในความคิดนั่นเอง <c oughs> เราบังคับสิ่งต่างไม่ได้เลยการปฏิบ <c oughs> ัติธรรมก็เพื่อเห็นตัวนี้นะก็คือาบางครั้งเราไปปฏิบัติธรรมแล้วบางวันก็รู้สึกว่าดีนะเนะมื่อวานไปฏิบัติธรรมแล้วมีสติมีความรู้สึกตัวเกือบทั้งวันนะพอมาวันนี้รู้สึกว่ามันไม่ดีนะมันก็หายไปมันไ ม, ไม่ชัดเจนนะไม่ค่อยรู้สึกตัวนี่ก็คือความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้น เราก็ส no ังเกตให้ด like ีนะในความไม่เ yeah. ที่ยงต่างๆเหล่านี้นะแล้วเราก็จะไปมีความทุกข์กับเขาแล้วมันทํำไมเป็นแบบนั้นนะมันทํำไมเป็นแบบนี้มันทําไมไม่เป็นตามที่เราต้องการนะเราก็มีความทุกข์ไปธรรมะที่แท้จริงก็คือและให้เรารู้ไปตามที่เขาเป็นนะไม่ใช่เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะเพราะตราบใดที่เราให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการเราก็ต้องมีความทุกข์แน่นอน มือนอย่างที่ว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความปรารถนาหรือความต้องการนั่นแหละคือตัณหาตัณหาในเพราะตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อเราไม่เป็นเช่นนั้นเราก็จะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ไปตามความเป็นจริงในความไม่เที่ยงเราก็ไม่เป็นไรเขาไม่ดีก็ไม่เป็นไรมาวันดีวันนี้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นคือความจริงของไตรลักษณ์ แทนที่เราจะมีความทุกจากการบริบัติธรรมเราก็กลับมาเห็นความจริงว่าเออนี่แหละเพราะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ก็จึงไม่เที่ยงฉะนั้นเองนะจิตก็เริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มไม่ยึดติดเนาะอันนี้ต้องจับประเด็นให้ได้นะพระไตรลักษณ์นี้เป็นไปเพื่อความปล่อยความวางความไม่ยึดติดความไม่เป็นอะไรกับอะไรนะต่อมาก็กลับมาเห็นอ่าสภาวะแห่งความทุกขหรือการที่เราทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้การบิดธรรมเราก็สามารถเห็นในตรงนี้ได้นะ นะอย่างตอนนี้เรารู้จักความทุกไหมนะเราจะนั่งมามากกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็รู้สึกว่ามีความปวดเมื่อยนะนี่แหละคือความทุกนะแล้วเราก็แก้ทุกไปเปลี่ยนบทเป็นเดินเป็นนั่งเป็นนอนเนาะเราหิวข้าวไหมนะหิวข้าวก็เป็นทุกแล้วเนาะเราไปรับประทานอาหารนะอิ่มแล้วไว้ก็ต้องหิวใหม่นี่แหละคือความทุกนะที่มันแก้ไขไม่ได้ รนะู้บางคนรู้สึกร้อนนะรู้สึกหนาวนี่ก็เป็นความทุกข์นะบางคนนะมีความยินดีในขณะนี้ก็เป็นความทุกข์มีความยินร้ายในขณะนี้ก็เป็นความทุกข์มันเป็นการที่เราจะต้องแก้ทุกข์ไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งนะแม้แต่เราแปรงฟันก็เป็นการแก้ทุกขนะ์อาบน้าก็เป็นการแก้ทุกข์สระผมก็เป็นการแก้ทุกขนะ์กระพริบตาก็เป็นการแก้ทุกข์ จริงๆแล้ว ม, มันมีแต่การแก้ทุกข์ทางนั้นแต่เราก็มองเห็นไหมนะว่าร่างกายจิตใจนี้มันมีแต่ความทุกข์จริงๆนะนี่ต้องกลับมามองให้เห็นให้ได้นะนะถ้าเรามองไม่เห็นเราก็ไม่รู้จักความทุกขนะ์เราก็จะไม่ไม่ขวนขวายในการออกจากความทุกข์เพราะเหตุที่เรามีความทุกข์นี่แหละนะเราจึงต้องเอามาหาคนณทางแห่งความดับทุกข์ แต่ผู้ใดไม่เห็นความทุกข์ผู้นั้นก็ไม่หาคนทางแห่งความดับทุกข์เพราะความทุกข์จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วในความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างความเปลี่ยนแปลงนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ชัดและนั่นเห็นไหมว่าความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนั่นแหละคือความทุกข์แม้แต่ความรักนะความรักบางคนบกวคือความสุขแต่ความรักนั่นแหละคือความทุกข์เรารักใครเราจะทุกข์เพราะคนนั้นเราผูกพันใครเราก็จะรักเพราะคนนั้น เพราะว่าคนนั้นมีแต่ความไม่เที่ยงนะมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะแล้วเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงเราเราจะทุกข์ยิ่งกว่าเราไม่ได้รักใครเลยนะทุกอย่างนั้นคือความไม่เที่ยงทั้งนั้นนะอต่อมาก็กลับมาเห็นนะความที่เป็นเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้อันนี้จริงไหมนะร่างกายนี้เราบังคับเขาได้ไหมนะ ร่างกายนี้บางทีเราดูเหมือนกั บ, บังคับเขาได้นะให้เขายืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนดื่มกินพูดคิดเราก็บังคับเขาได้แต่โดยความเป็นจริงแล้วนั่นคือสิ่งหลอกลวงเรานะร่างกายนี้เราบังคับก็ไม่ได้หลอกใช่ไหมในความที่เขาเกิดมาแล้วเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเนี่ยเราบังคับก็ได้ไหมผมงอกหูตึงตาฟางผิวหนังหย่อนต่างๆเราบังคับก็ได้ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยเราบังคับเขาได้ไหม เข้าหายใจเองนะไม่ได้เราบังคับให้เข้าหายใจหัวใจก็ทำงานเองเลือดก็สูบฉีดเองกระเพาะอาหารก็ทำงานเองลำไส้ระบบขับถ่ายก็ทำงานเองทั้งนั้นนะพูดง่ายๆว่าอวัยวะภายในนี่ทำงานเองทั้งหมดนะเราบังคับเขาไม่ได้เลยนะหรือแม้แต่เข้าไปโรคภัยไข้เจ็บเราจะบังคับให้เข้าหายในอวัยวะภายในตรงไหนเราก็ทำไม่ได้สักอย่างเดียวเราจะว่าเราบังคับเขาได้อย่างไร นะจิตใจนะเราบังคับก็ได้ไหมนะเราจะให้เขาหยุดคิดแม้แต่เพียง5นาทีก็ยังไม่ได้เลยนะจะไม่ให้เขารักเขาชังเขาโกรธ เ, เขาเกลียดก็ไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้บังคับเขาไม่ได้ทั้งหมดนะบางทีเราไปบัตรธรรมเราเห็นไหมนะประเดี๋ยวอก็คิดไปแล้วคิดไปแล้วนะบางท่านก็เริ่มเห็นความคิดแล้วนะเขาก็คิดตลอดเวลานะเขาก็คิดอยู่เรื่อยๆนะ ตรงนี้ความความที่เขาคิดนะเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเจตนาคิดไหมนะการที่เราตั้งใจคิดก็ไม่เป็นไรแต่การที่ไม่ตั้งใจคิดคือการเผลอคิดหรือการลักคิดนั้นมีมากมายนะมีมากมายจนนับไม่ทั่วเราเห็นไหมว่าความคิดเขาทางานเองไม่ใช่ว่าเราอยากจะคิดเรายังไม่รู้เลยว่านาทีข้างหน้าจะคิดอะไรนะตรงเนี้ก็คือถ้ากลับมาเห็นตรงนี้ไปบ่อยก็เห็นว่าเออจริงๆแล้วเราบังคับก็ไม่ได้เลยนะเพราะเหตุที่เราบังคับบัญชา สิ่งต่างๆเรานี้ไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเนี่ยมันต้องกลับมาเห็ น, หนตรงนี้ให้ได้ในขัน5้นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเพราะฉะนั้นการปฏิธรรมนี้ไม่ได้ปฏิบัตเพื่อละอาตาตัวตนหรือละกิเลสใดๆเนาะแต่เป็นการกลับมาเพื่อที่จะมาสรุปความคิดมาถอดถอนความคิดว่าเข้าไม่เชิงเราตัณฑ์ตนแล้วก็คือไม่มี ในตรงนี้ตั้งได้อดีตปัจจุบันและอนาคตที่เมื่อกี้เราสวดไปแล้วนะลูปไมนาสัญญาสังขารมิยานไม่มีในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะมันไม่ใช่เป็นของเราตั้งแต่ตนแล้วแต่ว่ามันมีอยู่นะกายและใจมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ของเราเนาะตรงนี้ถ้าเรากลับมามีความเข้าใจอ่าได้น้อยนะเราก็บรรลุเป็นภ้าโซดาบันอ่ากับเข้ามาเข้าใจได้มากขึ้นก็บรรลุเป็นผ้านาคามีเข้าใจได้เต็มที่ จิตมีการปล่อยวางเต็มที่ก็เป็นพระรหันนะเพราะว่าเพิ่มเมื่อพระปัญญวคีได้ฟังอนานาตังลาสูจบแล้วก็ไปรู้เป็นพลหันทั้งหมดก็คือจิตมีการปล่อยการวางการไม่ติดในสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ <c oughs> เราก็ต้องสังเกตในความติ ด, ค ว, ดความยึดนะความติดความยึดนั่นแหละเป็นอุปทานที่จะนําให้เกิดภพเกิดชาติต่ตอไปเหนะมือนในปฏิจจสุบาทก็ได้กล่าวไว้นะก็จะตัดมาเพียง สั้นๆเท่าที่พอที่จะจับใจความได้ง่ายขึ้นก็คือเมื่อเรามีอายร น, นะก็ย่อมจะเกิดผัสสะอายรนาก็คือรูปรสกลิ่นก็คืออัตาหูจมูกล่นกายใจนะก็จะเกิดผัสสะขึ้นมาคือการกระทบเมื่อเกิดกระทบ <c oughs> ก็จะเกิดเวทนาคือความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาตามมาก็คือความทยานอยากในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น เมื่อเกิดตัณหาก็เกิดอุปทานคือความยึดติดยึดมั่นถือมั่นความยึดในสภาวะธรรมเหล่านั้นเมื่อเกิดอุปทานก็เกิดภพเกิดชาติเกิดชราเกิดมรณะความทุกข์ต่างๆตามมาะอุปทานนั่นก็คือความยึดติดนั่นเองนะความยึดติดในอะไรก็คือในตัวตนเรานี่แหละะหรือในสภาวะธรรมใดๆที่ในใจของเราที่เกิดขึ้นะเพราะการยึดติดตรงนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติตามมา นะเพราะนั้นเราก็ต้องสังเกตให้ได้นะว่าเรายึดติดตรงไหนนะนะความเป็นตัวตนของเรานี่เราเห็นแล้วว่าเรายึดติดแต่สภาวธรรมนี่เราเห็นไหมว่าเรามีความยึดติดในตรงไหนไหมใชม่ใจเราก็ต้องรู้เท่าทันในความพอใจความไม่พอใจต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือความที่เราไปยึดติดในตรงนั้นหรือการที่เรายึดติดในความที่เราเป็นคนดีนะเป็นคนดี เราก็ไปเพ่งโทษคนที่ทําไม่ดี น, ะนี่คือความยึดติดหรือคิดว่าเราทําถูกนะเราก็ไปเพ่งโทษคนที่ทาไม่ถูกนี่ก็คือความยึดติดนะความความที่เราเห็นในสิ่งที่ไม่ดีนะเช่นความโลภความโกรธความหลงหรืออารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายอันนี้มันเห็นง่ายนะมันเห็นง่ายเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะ ม, มันมีสภาว่าเป็นความทุกข์แต่การที่เราไปยึดติดในทางบวกหรือในทางที่ดี ความพอใจความดินดนะีความยึดมั่นในลมที่ดีทั้งหลายนะความภูมิใจนะความรักสิ่งต่างๆเหล่านี้เรากลับมองไม่ได้เห็นนะแต่สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วก็คือความทุกข์ทั้งนั้นนะเพียงแต่เราไม่เห็นแล้วเราก็ไปยึดติดมันนานๆนะยึดติดมันนานนะแล้วก็ไปยึดมั่นในตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเห็นด้วยว่านี่แหละมันคือภพคือชาติทั้งนั้น <c oughs> มันคือความยึดติดคือประาทาน นะถ้าเราไม่ปล่อยมันก็จะนําความทุกข์มาให้เราแล้วมันก็เป็นภพเป็นชาเหนะมือนที่ลมงพ่อชาได้เคยเปเยรียบเทียบไว้ว่างูนะเราเห็นหัวงู <c oughs> เราก็ไม่ไม่อยากจะจับนะเช่นอารมณ์ที่ไม่ดีความโกรธต่างๆอันนี้คือหัวงูเรารู้แล้วเมื่อเราจะไม่จับนะหรือเรารีบปล่อยทันทีในขณะเดียวกันเราก็ไปจับหางงนะูหางงูเมื่อเราจับหางงูถ้าเราจับนานมันก็จะแบ่งกลับมากัดเรา หา ง, งูก็เปรียบเสมือนความยินดีอารมณ์ในทางบวกทั้งหลายนะเมื่อเราไปพอใจนานเขาก็จะแหงกัดเราให้เรามีความทุกข์ได้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉมนั้นะทางทดีก็คือเราไม่ต้องจับงูในทางหัวงูหรือทางหา ง, งูทั้งหมดก็คือให้เห็นว่าเป็นงูทั้งหมดนะเราก็จะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายนะใจถ้าใจที่มีความเป็นกลางพอก็จะเห็นสภาวะธรรมที่ไปยึดติดในตรงไหนบ้างนะในความดีความชั่วความถูกความผิด ในสภาวธรรมต่างๆเนาะตรงนั้นก็จะนําความทุกข์ไม้เราทั้งหมดนะเหตุที่เรามองเห็นในความยึดติดก็เกิดจากการที่จิตเรามีความละเอียดพอสมควรนะในการที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน ใ, นใจของเรานะการที่เรามาเจริญสติก็คือกลับมารู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและใจของเราเราเมื่อสังเกตได้แล้วทําสิ่งใดต่อไปต่อไปก็คือการไม่ยึดติดการปล่อยการวางนั่นเองเนาะ เพราะการปฏิธรมทั้งหมดมันก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายว่าเออมันจะเป็นการปล่อยการวางการมียึติดการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสภาวะธรรมต่างๆนะเมื่อมาถึงตรงนี้จิตก็จะเริ่มเข้าใจในความที่เมื่อก่อนเราไปติดอะไรอยู่นะถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางมันก็มองไม่เห็นในตรงนั้นเหมือนกับเราไปจับงูอยู่เราก็ไม่เห็นในตรงนั้นว่าเราอ่ามีความทุกข์ไหมนะ ความทุกข์เพราะอะไรเพราะเราเป็นมัดแต่จับงูอยู่นะแต่การที่เราแค่ปล่อยแค่วางก็คือปล่อยงูเท่านั้นเองนะมันก็จะไม่โดนงูกัดนะแล้วมันก็จะพ้นจากความทุกข์ได้นะมันจะกลับมาสังเกตในตรงนี้ได้ไหมว่าเราจับอะไรอยู่ในสภาวะธรรมใดๆนะ <c oughs> การที่เราเข้ามาในสภาวะนี้เราก็จะเข้ามาเข้าใจที่พระเจ้าได้ทรงสรุปธรรมะไว้ว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะ ทำทั้งหลายเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความปล่อยความวางนะในสุดจิตที่เข้าใจธรรมะก็จะไม่ยึดติดในสิ่งต่างก็จะเกิดการปล่อยการวางการปล่อยการวางนั้นไม่จําเป็นต้องปล่อยหมดก็ได้นะเพียงแต่เราเข้าใจไปตามลําดับจิตก็ก็จะค่อยๆปล่อยค่อยๆคลายความยึดติดไปเองนะแล้วนั่นแหละเมื่อเขาปล่อยเขาวางได้เท่าไหร่เราก็ค่อยๆพุ่งถูกไปเท่านั้นนะ นี่แหละคือหนทางแห่งความพุทธที่ว่าเป็นประตูทางออกของจิตใจเรานะในความที่ว่าคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนี้นะละเมื่อเขาคลายไปแล้วนะเขาเรียกว่าการคลายออกจากตันหานะการปล่อยการวางไม่เหลือของตันหานั่นเองในสุดก็จะเข้าสู่นิโรธก็คือความดับทุกขความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นในสุดท้ายนี้ข อ, ขอรัตนาบารมีคุณพระนสตรยัยน้อมนำทุกขั้นเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญา และถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุท่านเทิน